เสิ่งที่เราเห็นได้อย่างหนึ่งในคำภีพุทธวงศ์น่นะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเคารพธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นบูชาพระธรรมที่พระพองค์ตรัสแล้วว่าพระพุทธเจ้าที่เหล่าใดที่เคยมีมาแล้วในอดีตพระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นล้วนแต่เคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่จมีต่อไปใน อนาคตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งมวลล้วนแต่เคารพธรรมทุกพระองค์เลยเคารพธรรมหมดเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันพระองค์ก็เป็นผู้เคารพธรรมเป็นผู้ที่บูชาธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้ที่พระองค์บูชานั้นหมายถึงโลกุตตรธรรมอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานโดยเฉพาะอมตะนิพพานซึ่ง พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดเพื่ออย่างลงสู่พระนิพพานมีพระนิพพานเป็นที่สุดข้อปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุพระนิพพานก็คืออริยมรรคทั้งหลายนะอริยมรรคทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติที่สแสวงหาพระนิพพานเป็นสภาพธรรมที่สแสวงหาพระนิพพานอริยมรรคนั้นเป็นการรวบรูเป็นการบริบูรณ์ของโพธิปัจจยธรรมนั้นผู้ที่จะแทงตลอดอริยมรรค บรร ล, ลุอริยมรดได้บุคคลเหล่านั้นต้องเจริญโพธิปัคยะธรรมอย่างสมบูรณ์โพธิปัคยะธรรมทั้งหลายมีสติปัะฐานสัมมาประญาอิทิบาทอินทรีพระโพชฌงและองค์มรกในอัตถาสุตตานิบาตกล่าวว่าจำเดิมแต่พังขยานไปเนี่ยนะตั้งแต่พังคานุปสนาหรือพังขยานเนี่ยนะ ก่อนที่จะมีนิพพิทายานเป็นต้นจะเริ่มมีการรวบรวมโพธิปัจขยธรรมจะมีการรวบรวมโพธิปัจขยธรรมเพราะถ้าหากว่าไม่มีโพธิปัจจะธรรมถึงจะเข้าใจว่าเหตุเกิดของสังสารวัตเป็นอย่างไรความดับสังสารวัตรเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าไม่มีโพธิปัจจะธรรมก็ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับสังสารวัตรคือพระนิพพานไม่ได้ พังก็ต้องรวบรวมโพธิปัจจะธรรมให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์โพธิปัจจยธรรมนั้นท่านเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเป็นรัตนในพระพุทธศาสนาโพธิปัจจะโพธิปัจจะธรรมก็ชื่อว่าเป็นสมบัติของผู้มีบุญผู้สั่งสมบุญไว้แล้วแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะอย่าง ตลอดเวลาที่พระองค์บำเพ็ญเพียรก็คือการรวบรวมโพธิปัจจยธรรมนั่นเองและก่อนที่จะตรัสรู้ตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะชาติสุดท้ายนั้น6ปีที่พระองค์วิจัยเลือกเฟ้นถามว่าวิจัยเลือกเฟนอะไรก็วิจัยเลือกเฟ้นหาโพธิปัจจยธรรมสแสวงหาธรรมที่นําออกจากทุกเนี่ยนะนี่ถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นทําอะไร อดีตชาติเหล่านั้นทำอะไรก็คือการบาเพ็ญบารมีทั้งหลายบารมีทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยให้สแสวงหาโพธิปักจยธรรมไม่ใช่ว่าบารมีเป็นเหตุคลอดออกมาผลคือโพธิปักจะธรรมไม่ใช่แต่การสร้างบารมีทุกอย่างการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเนกขมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีความคื อดทนเนี่ยนะมีคันติมีสัจจะอธิษฐานทำทุกอย่างประกอบไปด้วยเมตตาและอุเบกขาบารมีทั้งสิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้เลือกเฟ้นโพธิปักยธรรมไม่ใช่เหตุในลักษณะกรร ม, มปัจจัยแต่เป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นความเจริญโงกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งกุศลธรรมจากกุศลธรรมทั่ ว, ว, วไปพื้นฐานธรรมดาเป็นอุปนิสัยแห่งกุศลธรรมที่ยิ่งใหญ่ เป็นกุศลธรรมที่นําออกจากทุกข์คือโพธิปัจจะธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เราเรียนรู้นั้นจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนประส寿 ต, ตรัสรู้นะนะประ寿ออกบวชบําเพ็ญเพียรตรัสรู้โดยเฉพาะบําเพ็ญเพียรเนี่ยนะบางองค์บางพระองค์บําเพ็ญเพียรเจ็ดเดือนบ้าง8ดเดือนบ้าง9้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้าง ถ้าพระองค์เหล่านั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลาหลายเดือนทำอะไรก็บอกว่าใช้เวลาหลายๆเดือนในการเลือกเฟ้นโ พ, พธิปัจจะธรรมเลือกหาว่าธรรมะเหล่าไห น, นที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้เนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆรวบรวมขึ้นค่อยๆเรียบเรียงขึ้นสมาทานขึ้นอธิษฐานขึ้นภาคเพียรพยายามปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป โพธิปัจจะธรรมเหล่านี้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่ อ, เ, อนะเมื่อไหร่เมื่อนั่งที่ควงต้นโพนั่งที่ควงต้นโพแล้วก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเป็นความเต็มเปี่ยมเป็นความไพ่บูรณ์เป็นความบริบูรณ์ของโพธิปัจจะธรรมการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดจากการเลือกเฟ้นโดยอุบายที่ชอบ ที่พระองค์บอกว่าพระองค์ตรัสรู้โดยโยนิโสสัมมปทานนะโดยโยนิโสมนานสิการโดยโยนิโสสัมมปทานหมายความว่ามนานสิการโดยเย็บไข่และเป็นความเพียรโดยเย็บไข่และถูกต้องนะมีปัญญาเป็นหัวหน้ามีปัญญาเป็นผู้นำรวบรวมโพธิปัจจัยธรรมโพธิปัจจัยธรรมเหล่านี้จึงนำออกจากวัฏฏทุกข์นำออกจากสังสารทุกข์ได้ เมื air, oui ่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะบูชาบารมีธรรมบูชาโพธิปัจจคยธรรมบูชาอริยมรรคบูชาอริยผลบูชาพระนิพพานมันการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นการแสดงเพื่อยกย่องบารมีธรรมเป็นการแสดงธรรมเพื่อยกย่องโพธิปัจจยธรรมเป็นการแสดงธรรมเพื่อยกย่องอริยมรรคอริยผลอย่างลงสู่อมตะนิพพาน ก็เลยกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นที่เคยมีในอดีตก็ล้วนแต่บูชาธรรมคําว่าบูชาคือยกย่องสรรเสริญ น, นอบน้อมถือเอาเป็นหลักเนี่ยนะเพราะองค์เองนั้นก็ไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นอิสระชนเป็นเสรีชนเป็นผู้มีอํานาจมากนะเป็นธรรมมิสอนเป็นธรรมราชาก็จึงแต่อย่างนั้นพระองค์ก็เคารพธรรมหนักในธรม ร, ธรมเคารพธรรมหนักแน่นในคุณธรรมทั้งหลายมาก มันเวลาที่พระองค์แสดงธรรมก็คือแสดงธรรมที่พระองค์เคารพแสดงธรรมที่พระองค์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์จึงแสดงธรรมด้วยความเคารพจะแสดงน้อยก็ตามแสดงมากก็ตามแสดงกับยาจกวนิพกพนเจนจรคนยากไร้อนาถาโดยที่สุดนายพรานเนศาเพชฌฆาตผู้ฆ่าตลอดจนถึงแสดงให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็แสดงธรรมด้วยความเคารพ เพราะพระองค์เป็นผู้เคารพธรรมเป็นผู้ที่บูชาพระธรรมนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะหลายท่านเป็นผู้ที่โดยปกตินิยมนอบน้อมอนะใช้ชีวิตปกตินอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยจะพุทธาอาตีตาจะเยพุทธาอานาคตาปัจจุปป น, นาจะเยพุทธาเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าเราใดที่เคยมีในอดีตพระพุทธเจ้าเราใดที่จะมีต่อไปใน อนาคตรพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีอยู่ในปัจจุบันพระองค์เหล่านั้นล้วนแต่เคารพธรรมล้วนแต่บูชาธรรมล้วนแต่ยกย่องธรรมนั้นเราศึกษาพระธรรมก็เพื่อจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าผู้บูชาธรรมผู้เคารพธรรมถึงพระองค์เป็นผู้มีอำนาจในธรรมรู้ธรรมตรัสรูธรรมเป็นพระธรรมาราชาถึงอย่างนั้นพระองค์ก็เคารพธรรมไม่ดูหมิน่นไม่ดูแคลนไม่เหยียดยาม พระธรรมเลยแต่ที่สําคัญที่สุดเราต้องพยายามปรับความเข้าใจว่าธรรมะที่เป็นเหตุที่สําคัญคืออุปนิสัยที่สําคัญมากก็คือการบําเพ็ญบารมีสิบหรือบําเพ็ญบุญญากริยาวัตถุสิบตั้งความปรารถนาเพื่อให้เจริญโพธิปักขยธรรมเมื่อโพธิปักจะธรรมเจริญภัยบูนบริบูรณ์เท่าใดก็น้อมไปเพื่อรู้อริยมรรคอริยมรรคที่เป็นโลกุตระ ะแทงตลอดสามัญญผลทำให้แจ้งพระนิพพา น, นแล้วขณะเดียวกันเมื่อเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าในอดีตเราศึกษาพระพุทธวงค์นี่เราก็จะอย่างน้อยก็ระลึกถึงพระนามของพระองค์ได้นะว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าทีปังกรโกลธัญะมังคลสุมาณะเนี่ยนะอย่างที่เราเรียนมาสี่พระองค์วันนี้ก็มาขึ้นองค์ที่5เรียกว่าเรวตพุทธเจ้า นะซึ่งพระองค์เหล่านั้นร้วนแต่เคารพธรรมบูชาธรรมปฏิบัติธรรมตรัสรู้ธรรมและสอนธรรมสอนธรรมต้องไม่ลืมนะว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายอุปนิสัยปัจจัยที่สําคัญก็คือบารมีธรรมในอย่างหนึ่งและต่อไปอีกก็คือโพธิปักฉยธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่อ่าโพธิปักฉิยธรรม37นั้นถ้าจะสังเคราะห์ย่อลงมาก็คือศีลอธิศีลอธิจิตและ อธิปัญญาหรือจะมองอีกในหนึ่งก็คือสมถะและวิปัสสนานั่นเองก็คือกลุ่มธรรมะที่ควรเจริญกลุ่มธรรมะที่ควรเจริญที่เราเรียกว่าจะนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคือกายคตาสติอันสหรคต ด, ด้วยความสําราญหรือกายานุปัสสนสติปทานทั้ง14บัพีพพาหรือรูปฌปานที่ได้มาจากการเจริญรูปพิจารณารูปเนี่ยนะพิจารณารูป จากอสุภะกรรมฐานหรือกรสินที่มากสินที่มีเชื้อสายมาจากสายอสุภะนับ2คือสมถาวิปัสนานับสก็คือศึกขาสามอธิศินอธิจิตอธิปัญญาหรือสมาธิ3นับสี่ก็คือสติปทาน4สมัมมาปทาน4อิทธิบาท4นะแล้วก็ถ้านับ5ก็อิน 5, รี่ห้าพละหสมาธิมีองค์หนับ6ก็เป็นอนุสติห นะเป็นอนุสติ6เป็นต้นเนี่ยนะนับ7ก็เป็นโพชง7นับ8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นับ9เนี่ยนับ9จะเรียกโยนิสโสเป็นมูล9ก็ได้หรือว่าเนี่ยนะอนุปภาพวิหารสมาบัติ9ก็ได้หรือคุณธรรมอย่างอื่นอื่อีกนะโดยเฉพาะโยนิสโสเป็นมูล9หรือว่าองค์เป็นองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรหรือว่าประธานนิยังฆะปริสุทธิเนี่ยนะหรือว่าปาริสุทธิประธานนิยังฆะ9 หรือกสินายตนะสิบหรือว่าถ้าจะนับเพิ่มเพิ่มไปอีกก็คือพิสดารที่สุดก็คือโพธิปัจจยธรรมทั้งหลายหรือแบ่งเป็นหมวดเจ็ดอี ก, อกในหนึ่งก็คือวิสุทธิเจ็ประการนั่นเองซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เป็นกลม่มภาเวตรปธรรมเป็นธรรมที่จะต้องเจริญต้องเพิ่มพูนต้องอศึกษาเพื่อความไพบูรณ์และบริบูรณ์งอกเงยงอกงาม ย, ง ย, งยิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้นทวนว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่ฟังธรรมเอ่อขอไปเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแสดงธรรมบูชาธรรมยกย่องธรรมเพื่อที่ว่าสาวกทั้งหลายของพระองค์จะได้รับมรดกอันนี้ออกไปรับมรดกเหล่านี้คือรับมรดกคือพระธรรมนั่นเองพระองค์ต้องการให้สาวกของพระองค์นั้นได้รับมรดกธรรมเหล่านี้ เพราะว่ามรดกธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความตรัสรู้เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อพระนิพพานเพื่อดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์เพื่อพ้นชาติชรามรณะโศกปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาตเพื่อพ้นภัยจากนรกเปรตอสุรกายและเดรชาห์ทั้งหลายเพื่อพ้นสังสารทุกข์เพื่อพ้นที่ทุกข์ที่เกิดจากกรรมวิบากและ กิเลสทั้งหลายเนี่ยนะสรุปว่าพ้นจากวัฏถุทุกโดยประการทั้งปวงสงบจากกองทุกโดยประการทั้งปวงเมื่อเขาเห็นธรรมเมื่อเขาตรัสรู้ธรรมานพระองค์จึงเคารบธรรมแสดงธรรมซึ่งสาวกของพระองค์ก็รับมรดกธรรมเหล่านั้นได้จริงๆเนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีบุญสร้างสมคุณธรรมเหล่านั้นมาเขาก็ตรัสรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์ทุกประการ มันพระองค์ก็พูดถึงในเรวตะพุทธเจ้าที่ห้าต่อไปว่าข้อ6ต่อจากสมัยพระสมณพุทธเจ้านะในกลับเดียวกันมีพระพุทธเจ้าสี่องค์นะองค์ที่หนึ่งก็มังคละองค์ที่ 2, สองสมณะองค์ที่สามเรวตะองค์ที่สี่ก็โสพิตะซึ่งจะกล่าวข้างหน้าต่อไปอันนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะพุทธเจ้าผ่านจากพระสมณพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้า เกิดขึ้นในโลกพระนามว่าเรวตะชินะพุทธเจ้าชินะก็คือผู้ชนะมารพุทธะก็คือผู้ที่กำหนดรอบรู้กองทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคอันประกอบด้ยวยองค์8ธรรมกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทมกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องมีผู้บอกผู้กล่าวแนะนำสั่งสอนไม่มีอาจารย์ในการตรัสรู้ พระองค์นั้นเป็นผู้นำศักว์โลกให้ล่วงพ้นจากวัตทุกพระองค์ไม่มีผู้ใดเปรียบในเรื่องรูปในเรื่องคุณธรรมทุกชนิดในเรื่องการสร้างบารมีพระองค์ไม่มีผู้เปรียบในพระรู ป, ปกายพระธรรมกายเป็นต้นพระองค์ไม่มีผู้เสมอเหมือนไม่สามารถจะหาบุคคลในยุคเดียวกันมาวัดได้เว้นไว้แต่เสมอกับพระพุทธเจ้าพระองค์นในอดีตจึงไม่มีผู้ใดวัดได้ เพราะเป็นผู้สูงสุดที่อื่นใช้คำว่าเป็นอ่าเป็นเทพยิ่งกว่าเทพแปลว่าเป็นผู้ที่เทพบูชาอ่หรือว่าเป็นผู้ที่เป็นเทวดาบูชาหรือว่าเป็นสักกะายิ่งกว่าสักกะหมายคําว่าในบรรดาหัวหน้าทุกชนิดเจ้าหมู่เจ้าคณะผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับการบูชาผู้ที่เป็นหัวหน้าสูงสุดเหล่านั้นก็ บูชาพระพุทธเจ้าอย่างเช่นมนุษย์ทั้งหลายพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ที่ประชาชนบูชาพระราชาเหล่านั้นก็บูชาพระพุทธเจ้านะเท้ามหาราชทัง้ง4ี่ผู้อันเทวดาชั้นจาตุมและร th ุมะเทวดาบูชาเทวดาชั้นเท้ามหาราชทั้งสก็บูชาพระพุทธเจ้าเท้าสั ก, กะเป็นผู้ที่โลกเทวโลกคือจาตุมและดาวดึงบูชา ท้าสักกะพระองค์นั้นก็บูชาพระพุทธเจ้าเทวดาชั้นสูงขึ้นตลอดจนถึงพรหมโดยเฉพาะเท้ามหาพรมอันพรมทั้งหลายบูชามหาพรมเหล่านั้นก็บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเป็นบุรุษผู้ไม่มีผู้ใดเปรียบไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนไม่มีผู้วัดเป็นผู้สูงสุดในสรรพสัตว์ทั้งหลาย หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอันเทา้ามหาพรหมอาราธนานะพระองค์ก็รับเสร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศธรรมคือประกรราศพระธรรมจักรพระธรรมจักรเป็นเครื่องกำหนดขันและธาตุกาหนดอะไรขันก็คือความเกิดก็เป็นทุกข์นะว่าโดยย่อ ก, ก็คือขันหขันเหล่านั้นกระจายอีกในหนึ่งก็คือธาตุขันธาตุนั้นเนี่ยนะ ขอไปพระองค์เนี่ยประกาศอริยมรรคธรรมประกาศธรรมคืออริยมรรคและพระนิพ พ, พ, พ, นพานเป็นเครื่องกําหนดรอบรู้ขันและธาตุอันเป็นเหตุไม่เป็นไปในภพน้อยภพใหญ่โดยเฉพาะโพธิปัจจะธรรมโดยเฉพาะอริยมรรคและพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่รอบรู้ในขันธาตุจริงๆอริยมรรคกับพระนิพพานนั้นไม่เป็นไปอปวตาตไม่เป็นไปในภพน้อยภพใหญ่ เป็นธรรมที่เพิกถอนพบน้อยพบใหญ่โดยสิ้นเชิงรันในการประกาศธรรมโดยเฉพาะประกาศทุกเพื่อให้กำหนดรอบรูป้ประกาศสมุทยัยเพื่อให้ละประกาศนิโรธเพื่อทำให้แจ้งประกาศอริยมรรคเพื่อการเจริญนั้นเมื่อพระองค์ประกาศอริยสัจธรรมเช่นนั้นจึงมีอภิสมัยการตรัสรู้ใหญ่หลวงเนี่ยนะตรัสรู้อย่างมากมายอยู่สามครั้งครั้งที่หนึ่ง กล่าวไม่ได้ด้วยจํานวนผู้ตรัสรู้นะอย่างแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าของเราบางนะบางสูตรเนี่ยบอกว่าพระบรรลุอรหันต์แสนโกรธมักผลระดับล่างหาประมาณไม่ได้หลยๆสูตรด้วยกันเนี่ยนะถ้านับโสดาปฏิมักขึ้นไปแล้วหาประมาณไม่ได้ครั้งนั้นพระเรวตะมุนีแนะนําพระเจ้าอรินธรรมะอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแกสัตว์แสนโกรธนะบรรลุมากจริงๆ พระนราสพาะเสด็จออกจากที่หลีกร้นในวันที่เจ็ดพระองค์แนะนำมนุษย์และทีวดานร้อยโกดให้บรรลุผลอันสูงสุดนี่นะแสดงว่าออกจากนิโรธสมาบัติและแสดงธรรมบรรลุเป็นหลายร้อยโกดเป็นร้อยโกดพระเรวัตพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นี่นะสแสวงหาอาธิศีนเป็นต้นหรือสแสวงหาอาเสขธรรมเป็นต้น สแสวงหาโพธิปัจจะธรรมสแสวงหาธรรมเป็นที่ดับทุกข์เนี่ยนะพระองค์ทรงมีสันนิบาตการประชุมสาวกอรหรันผู้ปราศจากมนทินเศร้าหมองกายวาจาใจหลุดพ้นดีแล้วผู้คงที่สามครั้งผู้ที่ประชุมกันครั้งที่หนึ่งนะสาวกสันนิบาตอรหรันนะั้นเกินที่จะนับจํานวนได้พระ่าหันบรรลุมากนะนะ ครั้งที่สองการประชุมครั้งที่สองนับจํานวนผู้ประชุมได้แสนโกดครั้งที่สพระวุดุณอะอัครสาวกผู้ไม่มีผู้เสมอด้วยปัญญาอนะอัครสาวกองค์ที่สองก็คือเออขอไปองค์ที่หนึ่งเนี่ยนะอัครสาวกฝ่ายขวาเนี่ยผู้อนุวัตคือประกาศทำพระธรรมจักรตามพระเร ว, วัตพุทธเจ้าพระองค์นั้นเกิดอาพาธหนักอนะอัครสาวกป่วย ครั้งนั้นเหล่าพิกษุก็เข้าไปหาพระมุนนะีเพื่อถามถึงอาพาธของท่านพระองค์ก็แสดงธรรมนะจำนวนจำนวนแสนโกดเป็นการประชุมครั้งที่สามผู้ที่คือตอนที่พระอัครสาวกป่วยเนี่ยอาพาธพระพุทธเจ้าแสดงธรรมผู้ที่ไปคอยดูแลอุปถากเนี่ยนะบรรลุธรรมมากมายก็มีสาวกสันนิบาต ทีนี้พระภูติสัตว์ของเราเนี่ยนะผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เล่าว่าพระองค์นั้นในสมัยนั้นเป็นพราหมณ์ชื่อว่าอติเทวะเข้าไปเฝ้าพระรูปตาพุทธเจ้าฟังธรรมถึงพระองค์เป็นสารณะพราหมณ์นั้นสรรเสริญศีลสมาธิและปัญญาคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค์ตามกําลัง เป็นชาติที่บูชาพระพุทธเจ้าโดยการสรรเสริญพระคุณว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญาอย่างยอดเยี่ยมนะเป็นคําสรรเสริญที่ยกย่องสรรเสริญมากมายใช่ไหมอย่างดูคําสรรเสริญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทวนอีกนิดหนึ่งว่าพระองค์สร้างนครคือสัจธรรมปุระอันแน่นประเสริฐสุดใช่ไหม แล้วก็นกครคือสัต ธ, ธรรมปุระอันประเสริฐสุดพระองค์ทรงสร้างถนนใหญ่ที่ไม่ขาดไม่คดตรงกว้างคือสติปฐานอันประเสริฐสุดไอคําเหล่านี้เป็นคําสรรเสริญพระพุทธเจ้านะว่าพระองค์นั้นทรงสร้างสมบุญบารมีทุกอย่างเพื่อเพื่อจะสร้างสติปฐานทรงคลี่วางสามัญญผลสิบเรียกว่าเป็นอริยสัพย์เป็นรัตนะเนี่ยนะปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหกสมาบัตแ8 มันธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอย่างนั้นผู้ใดปฏิบัติตามก็ตรัสรู้รำหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งอีกคําหนึ่งเนี่ยนะที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าในวงพระโกนทัญญาพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าพระนามวาโกนทัญญาผู้นําโลกผู้มีเดชไม่มีที่สุดมีประยชน์นับไม่ได้ ผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ยากที่จะเข้าเฝ้าอันนี้ก็เป็นคำยกย่องคำสรรเสริญคำเทิดทูนพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่นชมอย่างศีลบอกว่าพระองค์มีขันติเปรียบด้วยแผ่นดินทรงมีศีลเปรียบด้วยสาคอนทรงมีสมาธิเปรียบด้วยขุนเขาทรงมีพระญาณเปรียบด้วยท้องนภ า, ากะเรียกว่าสุดยอดของคายกย่องสรรเสริญเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าทรงประกาศอินทรพละโพชงองค์มรคเพื่อประโยชน์เกื้อกูนแก่สัตว์ทั้งปวงอันนี้ก็เป็นคำชื่นชมพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ของเราจึงกล่าวสรรเสริญพระเรวัตพุทธเจ้าว่าสรรเสริญศีลถ้าเปรียบเหมือนกับตอนนั้นก็บอกว่าเสมอด้วยสาครนสมาธิเสมอด้วย สมาธิเสมอด้วยขุนเขาพระเมรุมีปัญญาเสมอด้วยท้องนาภาากาศเนี่ยนะท้องนาภาากาศเหมือนอากาศมันใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดสรรเสริญพระคุณตามเป็นจริงตามกําลังความสามารถของตนใช่ว่าพระพุทธคุณจะมีอยู่เท่านั้นเนี่ยนะก็สรนเสริญ ส, สุดแท้แต่ความสามารถมีเท่าไหร่ก็สรนเสริญเท่านั้นเสร็จแล้วก็ได้ถวายผ้าอุตราสงฆ์ผ้าหม่มเนี่ยนะถวายท่าหม่ม พระเลวตะพุทธเจ้าผู้นำโลกพระองค์นั้นทรงพยากร์พระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในกลับที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้ไปอีกสองอสงไขยแสนกับว่างั้นเถอะพระตถาคตออกพิเนศกรมจากกบิลพัฒนที่น่ารื่นรมตั้งความเพียรธรรมทุกขะกิริยาพระตถาคตประทับนั่งณโคนต้นอาชาปาลนิโครด รับข้าวมาุปายญาติณที่นั้นแล้วเข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชาราพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสเวยข้าวมาทุปายญาติที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราสเสด็จไปตามมัดอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพพฤกแสดงว่าพยากรณ์ต่อไปเลยว่าพระพุทธเจ้าจะทําอย่างไรเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยเห็นพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้ในอนาคตเนี่ยนะ เหมือนดูมะขามป้อมบนฝ่ามือนะเหมือนกับว่านั่งดูนังดูอะไรเนี่ยนะมันธรรมดามองเห็นอย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่เห็นสีแต่รู้ได้ด้วยปัญญารู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าต่อไปอะไรจะมีบ้างพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ได้อย่างชัดเจนโดยที่ปราศจากความสงสัยไม่มีความเคลือดแคลงเหมือนอย่างว่าดวงอษษาทิตย์สาดส่องยามเที่ยงวันสว่างสวยขจัดความมืดออกไปไม่มีเหลือ ฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาเห็นฉันนั้นก็พยากรณ์อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดว่าหลังจากที่พระโพธิสัตว์ของเราเสเวยเข้ามาทุบายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จไปตามหนทางที่เขาจัดดีไว้แต่งไว้แล้วเสด็จไปดำเนินนะไปถึงโคนโพจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มียศใหญ่ ทรงกระทำประทักษิณเวียนขวาโพที่มันทสถานอันโยอดเยี่ยมตรัสรู้นโคนต้นโพพฤกชื่อว่ัศสัตถ์ต้นโพใบนะพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเพื่อได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะผู้ที่ตรัสรู้นั้นมีพระมีพระชนนีพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางมหามายาทัชชนกพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทโธธนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะ ท่านผู้นี้นั้นจะมีอัครสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระอานันท h a จักบำรุงพระชินเจ้าผู้นี้บำรุงแค่ไหนบอกเหมือนเงาติดตามตัวเนี่ยนะคอยดูแลอุปทาชวัน ล, ละ18ดครั้งเนี่ยนะกลางคืนก็เรียกว่าเดินรอบนะฮะอุปถาชโดยปกติเนี่ยต่างหาสุดยอดของผู้ที่อุปถาชแล้วเนี่ยนะ แล้วก็มีความสุขในการเห็นพระพุทธเจ้าด้วยนี่สิก็ทําได้ยากท่านเลื่อมใสถึงขนาดว่าท่านอยากจะเห็นวันทั้งวันนั่นแหละอยากไปไหนหรอก็อยากจะนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากนั่งชมนั่งฟังธรรมนั่งอะไรไปนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องทํากิจนะนะขนาดนั้นท่านจึงทําทุกอย่างด้วยความไม่ประมาทพระองค์จักมีพระอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะ มีจิตสงบตั้งมั่นโพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัตถะต้นโพใบพระองค์จักมีอัครอุปถากฝ่ายคารวาสชื่อว่าจิตตะคือจิตตะฤห บ, บดีและหัต t h อลวกะนะเป็นอุบาสกหัต t h อลวกะนั้นมีบริวารปกติไปไหนมีบริวารห้าร้อยนะเาเป็น ก, กษัตริย์ด้วยนะอัครอุปถายิกาชื่อว่านันมาตาและอุตรา มันก็คุชชุตตรานั่นแหละที่ไหนคุชชุตตระอุบาสิกาพระโคดมพุทธเจ้าผู้มีพระยศพระองค์นั้นเนี่ยมีพระชนมายุร้อยปีนะร้อยปีของเราถึงว่าตั้งร้อยปีอายุยืนเลยนะตั้งร้อยสองปีร้อยสิบสี่ปีเพิ่งตา ย, อยางอายุขนาดไหนก็ตายเชื่อสรุว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ที่อยู่ รอบๆพระพุทธเจ้าพระนามารีวตัต น, นะเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นฟังพระดํารัสของพระเรวัตะาพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเหมือนในพระคุณทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณที่ยิ่งใหญ่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปลาบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธทางกูล น, นะเป็นหน่อของผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต มื่นโลกมื่นโลกกทั้งเทวโลกพอได้ยินเสียงพยากรณ์อย่างนั้นก็ส่งเสียงหัวร้องปรบมือหัวร่อดร่าเริงประคองอัญเชลีนมาส ก, การกล่าวว่าท้าว่าพวกเราพลาดจากศาสนาของพระโลกก น, นาถพระนามว่าเรวตะพระองค์นี้ไซในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระโคดมผู้นี้แหละ เปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ําพลาดท่าน้ําข้างหน้าก็ถือเอาท่าน้ําข้างหลังนะเรียกว่าเฉพาะหน้าก็ข้างหลังต่อไปอีกโน่นแหละข้ามแม่น้ําฉันใดถ้าหากว่าพวกเราทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าผ่านพ้นพระชินเจ้าเรวตะพระองค์นี้ในอนาคตแการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าของท่านพระสมณะโคดมพุทธเจ้าพระองค์นี้ฉันนั้นเหมือนกัน นะนะไม่ตรัสรู้ธานี้ก็ขอตรัสรู้ธานะไม่ได้ตรัสรู้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ขอให้ได้ตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต